สีอัปปารระณวัตถุว่าด้วยการเกลีย้ยกล่อมสำมมนิลทรงห้ามเกลีย้ยกล่อมสำมมนิลสมัยนั้นพวกภิกษุชาวพัคีพากันเกลีย้ยกล่อมพวกสำนิลของภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายพระเถระทั้งหลายต้องหยิบไม้ช่ำระฟันบ้างตักน้ําล้างหน้าบ้างด้วยตนเองย่อมลําบากจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงเกลีย้ยกล่อมบริษัทของภิกษุอื่นรูปใดเกลีย้ยกล่อมต้องอาบัตทุกกฏ